ต่างๆนีไม่ได้อะไรถ้ให้เราทำผิดคิดผิดไปเป็นทุกข์เป็นปัญหาเสียเวลาพระริเจ้าวางของหนักอันนี้ลงแล้วว่าโรโยกอุปทางขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เราก็เห็นอยู่เราก็มีขันธ์เนี่ยมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณ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 ต้องเทศของจริงมีอย่างนี้เราจะปล่อยปะแล้วเดินได้ยังไงเอาเรื่องนี้ก่อนชีวิตเราจะมียาวไกลขนาดไหนถ้ารู้จากหลักมันนี้แล้วก็คุ้มค่าไม่เฉื่อยชาิได้รู้จักเรื่องนี้ก็ต้องวิ่งกรามเขาไปเขาก็ลากเราไปเึงนสบเป็นทุกข์จนถึงเกิดเจเจ็บตาย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 ลำดับลำนำอยู่งานแบบนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิการงานชอบเปลี่ยนชอบตั้งใจไว้ชอบตั้งสติไว้ชอบผู้ชอบคิดชอ บ, ชชอบมันก็เป็นตรงมัดไม่เบื่อหน่กยว่าทำใจให้เป็นวางตัวให้เป็นในการทำงานเดินาคกรมอย่าไปเพ่งอย่าไปจี้ จ, าจ้างจังหวะก็อย่าไปเพ่งเกินไปก้มเกินไป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 นั่งขัดสมาธิคนนั่งไม่เป็นด้วยช้ำปไปต่างประเทศหอนงตาเคยไปสอนพะหลังอยู่วดตั้งบอกเขานั่งขัดสมาธิก็มายืนถามเรามาชี้หน้าเราเราก็นั่งอยู่ก็มาเยืนถามนะว่าคนลู้อะไรก็มาสอนนี่เรื่องอะไรเขาก็บอกว่าให้นั่งลง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 สมัยังกษีษของประเทศอินเดียเนาะค้นพบหลักฐานของพุทธศาสนาหลายแห่งเลยพื้นขึ้นมาอายุพยาคพระเจ้าโศวาราชสั่งทรมทตออกไปห้าสายมาสู่วังไทยล้วเนี่ยเราก็ได้พุทธศาสนาตอนนั้นเรามาเถึงมังไทยมังเข้ากันได้กลมเกลเ่อเนเลยเราจึงมีดีมาตลอด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 แต่ว่าอันโลกที่มันเกิดจากใจอันเดียวอันเดียวก็คืออันเดียวน่ะทุกก็ไม่มีพันุใหม่หลงก็ไม่มีพันธุ์ใหม่โกรธก็ไม่ใช่พันธุ์ใหม่คือโกรธเดียวไม่ใช่พันุ์ใหม่สายห้าศูย์ศูนย์เก้าที่เขาว่ากันอยู่เนี่ยอันนี้มันอันเดียวองค์โกรธก้อนเดียวอุศนก้อนเดียวอุศนก้อนเดียว